พนภูมิพุทธพจน์ความหลุดพ้นแห่งจิตความหลุดพ้นด้วยปัญญาอันหากิเลสมิได้เพราะรากแห่งกิเลสทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเปรียบได้กับสะโบครณีมีน้ำสะอาดเย็ยนใสตลอดมีท่าอันดีน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสะโบครณีนั้นมีแนวป่าอันทึบ ย่อมให้ความสุขสําราญอิ่มหําแก่ผู้ที่กําลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายหลังจากลงสระอาบน้ําดื่มน้ําระ ง, งับความกระวนกระวายจากความเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายและดับความร้อนตามเนื้อตัวแล้วเขายังสามารถขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้น <c oughs> เพื่อเสวยสุขสถานเดียว <c oughs> จากมหาสีหนาสูตร ความตั้งอยู่ของสิ่งที่จะดับศูนย์ไปเปล่าๆอันได้แก่กายมนุษย์ที่เดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกนี้ถือว่าเป็นเท็จแต่สิ่งใดไม่เลอะเลือนไปอันได้แก่นิพพานถือว่าเป็นจริงจากทาตุวิพังคสูตรสิ่งแน่พอใจในมนุษย์ยภูมิและเทวภูมินั้นมนุษย์และเทวดาอาจเห็นว่าเป็นสุขส่วนพระอริยเจ้า ย่อมทราบตามจริงด้วยปัญญาว่าสิ่งน่าพอใจเหล่านั้นเป็นทุกข์ส่วนนิพพานอันสงบรำงับจากกายใจที่มนุษย์และเทวดาสำคัญว่าเป็นทุกข์นั้นเหล่าอาริยเจ้าทั้งหลายย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วว่าเป็นสุขจากทวยตานุปัสนาสูตรเพื่อจะเป็นผู้ไม่ก่อบาปถึงขั้นที่จะเข้าถึงนรกภูมิเดรฉานภูมิและเปรตภูมิ กับทั้งจะไม่ตายเสียก่อนจะบรรลุถึงโสดาปฏิผลพึงเป็นผู้เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหรือเพียงรู้ได้ปัญญาในความจริงอันมีอยู่ในกายใจของแต่ละคนตามเราชี้ให้เห็นอย่างนี้คือรูปทั้งหลายไม่เที่ยงสุขทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงความจำทั้งหลายไม่เที่ยงเจตนาดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงความรับรู้ทั้งหลายไม่เที่ยงจากอกกันตะสังยุต พระอัคาราสาวกแก้ความเห็นผิดให้พระยะมะกะดูกรยะมะกะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระอระหันตตะคีนาศพตายแล้วย่อมขาดศูนจงทำไว้ในใจเถิดว่ารูปอันเป็นไปในกายนี้ไม่เที่ยงสุขทุกข์ไม่เที่ยงความจําไม่เที่ยงเจตนาดีชั่วไม่เที่ยงความรับรู้ไม่เที่ยง ท่านไม่พึงเห็นว่ากายนี้เป็นบุคคลไม่พึงเห็นสุขทุกข์เป็นบุคคลไม่พึงเห็นว่าความจำเป็นบุคคลไม่พึงเห็นว่าเจตนาดีชั่วเป็นบุคคลไม่พึงเห็นความรับรู้เป็นบุคคลโดยที่แท้ท่านจะค้นหาสัตว์หรือบุคคลในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยแมในปัจจุบันควรหรือที่ท่านจะยืนยันว่าพระอรหันตตะขีนาสบตายแล้วย่อมขาดศูนย์จากยมกสูตร มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ในการเปรียบเทยของพระพุทธองค์ที่ผ่านมาทั้งหมดไล่ตั้งแต่นรกภูมิมาจนถึงเทวภูมิล้วนเป็นกับดักหรือไม่ก็ที่พักชั่วคราวคุณยังต้องเดินทางต่ออย่างเป็นทุกข์เพราะกระวนกระวายจากความหิวไม่เลิกเพิ่งครั้งนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบ ความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นสะโบกขรณีกับราวป่าจะอุ่มทึบซึ่งไม่ใช่กับดักอย่างแน่นอนและสำหรับคนหิวกระหายย่อมไม่ใช่แค่ที่พักอีกต่อไปทว่าคือเป้าหมายอันเป็นที่สุดของการเดินทางแสวงหาน้ำดื่มเลยทีเดียวและเมื่อมาถึงแล้วย่อมได้ดื่มกินได้นอนพักอย่างสำราญตลอดไป ไม่ต้องแสวงหาน้ำดื่มจากแห่งหนตำบลไหนอีกพวกเราต่างก็เป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวเวียนว่ายตายเกิดอย่างเป็นทุกข์เป็นร้อนตลอดมาได้มาเพื่อเสียไปเสียไปแล้วได้ใหม่ชีวิตนี้คุณเคยได้มาและเสียไปแค่ไหนชีวิตก่อนๆรวมกันแล้วเคยได้มาและเสียไปยิ่งกว่านั้นนับอ น, นันต์หากเปรียบว่า ชาตินี้ได้น้ำมาหนึ่งหยดที่คุณเสียไปทุกชาติที่ผ่านมารวมแล้วยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดการได้มาและเสียไปนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความอยากโน่อนอยากนี่ไม่หยุดความอยากนั่นแหละคือ ต, ตันหานั่นแหละคือความหิวกระหายแตไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วที่หิวนั้นหิวน้ำ ที่หานั้นหาน้ำแล้วจะไปทราบได้อย่างไรว่าแหล่งน้ำต้องไปทางไหนส่วนใหญ่ก็ต้องหาแหล่งพักกลางทางเพื่อลุกขึ้นดันด้นต่อไปนี่แหละเรียกว่าสัมเวสีซึ่งความหมายดั้งเดิมคือผู้สแสวงหาที่เกิดคือต้องเกิดในที่ใดที่หนึ่งเกิดแล้วต้องตายจากที่นั้น เพื่อให้กรรมจัดสรรที่เกิดใหม่แล้วแล้วเล่าเลาไม่ได้เลิกการเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยให้ความอิ่มไม่เคยให้ความพอจึงไม่เคยมีการยุติการท่องเที่ยวอันวกวนได้เองเว้นแต่จะได้ผู้ชี้ทางเช่นพระมหาบุรุษผู้เป็นจอมศาสดาการเดินทางสู่สะโบขรณีเพื่อยุติความวกวนในเขาวงกตซ้ำซากจึงเริ่มต้นขึ้นได้ ทุกอย่างที่เราเชื่อทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราแสดงความเห็นไปจะเข่าหรือฉลาดก็ตามล้วนงอกเงยขึ้นมาจากรากอันได้แก่ความไม่รู้ตามจริงนึกว่ากายใจคือเรานึกว่าเรามีอยู่ในกายใจจากนั้นก็ตัดสินว่าอะไรน่าเอาอะไรน่ามีอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรยุติธรรมอะไรไม่ยุติธรรมต่อเมื่อเห็นตามจริงว่ากายใจแบบนี้ตลอดจนกายใจแบบอื่นในภพภูมิอื่นเป็นเพียงเครื่องล่อให้หลงยึดจึงค่อยเกิดปัญญาทีละน้อยมีสติรู้เป็นขณะขณะว่ากายใจแสดงความไม่เที่ยงออกมาต้องตองอยู่ตลอดวันตลอดคืนนับแต่ลมหายใจความเคลื่อนไหวสุขทุกข์ ภาวะทางใจที่เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุง้งตลอดเรื่อยไปจนกระทั่งความจำความนึกคิดที่กลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งหลายทั้งปวงมันมีตรงไหนที่ควรให้เข้าไปสำคัญว่าเที่ยงแน่เป็นเราแน่ไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรทุกสิ่งที่มีก็ต้องดับหายไปอยู่ดีแต่หายแล้วกลับดับความหิวในส่วนดึกไม่ได้ จึงควรที่เราจะเอาคำตอบอันเป็นยอดแห่งประโยชน์ของพุทธศาสนานั่นคือทำอย่างไรจะตัดอะไรตัดยางเหนียวและตัดความหิวได้อย่างถาวรกรรมอันควรแก่รถวิมุติสุปนิพพานเป็นรถอันเยี่ยมและอะไรที่เยี่ยมก็มักได้มายาก ไม่ใช่เพียงให้ทานรักษาศีลแล้วจะเข้าถึงกันง่ายๆแต่การให้ทานและการรักษาศีลนั่นแหละคือก้าวแรกของการเดินทางไปสู่นิพพานเพราะจะช่วยให้จิตมีความไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายพร้อมจะตั้งมั่นเป็นสมาธิดัดจิตที่คดให้ตรงเพื่อเห็นตามจริงว่าอะไรๆกาลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ทุกขณะกระทั่งรู้สึกว่า ทั้งตัวที่กำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้คือที่ตั้งของความไม่เที่ยงหาใช่ที่ตั้งของตัวตนอุปาทานจึงฉีกขาดเสมือนเปิดหลังคาที่ครอบระไว้ในห้องแคบให้แง้มมองขึ้นไปเห็นท้องฟ้ากว้างได้การฝึกรู้ตามจริงว่าอะไรอะไรต่อหน้าต่อตาล้วนแสดงความไม่เที่ยงนั้นเรียกว่าการเจริญสติการเจริญสติเป็นกรรมชนิดหนึ่ง ไม่ใช่กรรมดำไม่ใช่กรรมขาวแต่เหนือกว่านั้นคือเป็นกรรมที่อยู่เหนือขาวเหนือดำจะเรียกให้ง่ายว่าเป็นกรรมใสก็ได้เพราะในที่ที่กรรมนี้ผลต็ตผลเต็มที่มีแต่บ ร, รมสุขอันบริสุทธาวรจิตไม่ถูกปรุงแต่งให้ขาวหรือดำแต่จะบริรสุทธิ์ใสและไม่กลับมาเป็นทุกข์ได้อีกเลยนิมิตบอกลาง นิมิตบอกลางจะไม่เกิดขึ้นกับพระอรหันตตะขีนาสพจิตดวงสุดท้ายจะวูบหายไปเฉยเหมือนเปลวเทียนดับจากนั้นพระอรหันต์จะอยู่ในความเป็นอมตะที่ไร้ร่องรอยไม่ต่างจากรอยเท้านกในอากาศสำหรับผู้มีความเพียร น, น้อยการเห็นนิพพานอาจไม่เกิดขึ้นระหว่างมีชีวิตแต่พระพุทธองค์ก็ทรงให้ช่องทางไว เพราะขณะใกล้าตายนั้นจิตของผู้สั่งสมศรัทธาสั่งสมทานสั่งสมศีลไว ม, มากแล้วจะมีความหนักแน่นพร้อมจะเป็นฌานในแบบรู้เห็นกายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้ถนัดซึ่งก็หมายถึงประตูนิพพานจะเปิดง่ายแล้ววิธีชี้ทางนิพพานแก่ผู้ป่วยใกล้าตายง่ายๆแต่ได้ผล น, นี้มาจากการที่เคยมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ถ้าผู้ป่วยพอมีสติปัญญาแต่กำลังเสวยทุกจากการเป็นไข้หนักใกล้ตายควรบอกทางแก่เขาอย่างไรดีพระพุทธองค์ตรัสว่าให้สอนอย่างนี้คือจงเบาใจเถิดว่าเธอมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระมีศีลอนครอบงำความหลงผิดได้แล้วศีลนี่เองเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตจากนั้นให้ถามผู้ป่วยว่ายังมีความห่วงใยในมารดาบิดาบุตรพันรยาอยู่หรือไม่ถ้าหาผู้ป่วยตอบว่ายังห่วงใยก็ให้กล่าวว่าทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกับเรา ถึงเราใส่ใจห่วงให่หรือไม่ห่วงใหญ่ในมารดาบิดาบุตรและพันรยาพวกเขาก็จะต้องตายตามไปอยู่ดีฉะนั้นขอให้ละความห่วงใหญ่ในบุคคลเหล่านั้นเสเถิดหากเขารับว่าสามารถละความห่วงใยในบุคคลรอบตัวได้แล้วพึงถามเขาอีกว่ายังมีความอยากได้ข้องติดในการมาคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือ หากผู้ป่วยตอบว่ายัางคล้องติดก็ให้กล่าวโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประกันว่าการอันเป็นทิพย์ยังดีกว่าประนีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากการอันเป็นของมนุษย์และน้อมจิตไปในเทวดาชั้นต่างๆเถิดหากเขารับว่าสามารถละความอยากได้คล้องติดในการ ม, มาคุณห้าอันเป็นของมนุษย์ได้แล้วพึงกล่าวว่า ความสุขแม้ที่เหนือกว่ากามอคุณห้าในภพเทวดายังมีคือความสุขจากการเข้าสมาธิฌานในพรหมโลกแต่แม้จะได้เป็นถึงรูปประพรมและอรูปประพรมก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในความหลงผิดยึดมั่นถือมั่นในภพนั้นๆั้นว่าเป็นตนขอจงพรากจิตให้ออกจากเทวโลกและพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับจากการยึดมั่นถือมั่นเถิด หากเขารับว่าสามารถถอนความยึดมั่นแม้ในเทวโลกและพรหมโลกแล้วและได้นำจิตเข้าไปในความดับจากอาการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอะไรอะไรแล้วเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันระหว่างผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับพิสุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีเพราะต่างก็พ้นด้วยวิมุติเหมือนกันหากจังหวะใกล้ตาย เป็นโอกาสทองนั้นจิตของผู้ป่วยทบทวนอยู่โดยอาการเช่นที่กล่าวมานี้กระทั่งหมดความใหญ่ดีหมดความคล่องติดพวงในอะไรๆแล้วตั้งมั่นอยู่ในความผ่องใสไร้มนทินก็จะมีกำลังเพียงพอต่อการปล่อยวางภพภูมิทั้งหลายด้วยปัญญาอันชอบได้สภาพแวดล้อมของนิพพานนิพพานไม่จะผลของกรรม ไม่ช่พบภูมิฉะนั้นจึงไม่มีสภาพที่มนุษย์และเทวดาจะเห็นด้วยตาเปล่าไม่อาจกำหนดว่าเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปกลมเป็นอากาศว่างหรือทึบตันทุกอย่างต่างไปพ้นจากวิสัยที่เราเคยรับรู้จากประสาทหยาบและผู้พบมาแล้วก็ไม่อาจเอ่ยถึงว่ามหาสจรัร์ปานใดได้แต่กล่าวบอกเป็นไนว่า เขนคิดไปก็ฟุ้งซ่านเปล่าคล้ายกับปลาใต้น้ำย่อมหุนงงสงสัยเมื่อเต่าขึ้นบกแล้วกลับลงมาเล่าให้ฟังว่าบกเป็นอย่างไรอากาศว่างและเวงฟ้าสวยงามปานไหนการเจริญสติทั้งหมดเป็นไปเพียงเพื่อนไหลเข้าไปรวมกับมหาสมุทรแห่งความว่างซึ่งมีอยู่ก่อนไม่ใช่เจริญสติแล้วมหาสมุทรแห่งความว่างจึงปรากฏในภายหลัง ถ้าจะคิดถึงมหาสมุทรแห่งความว่างนี้ด้วยอาการคเนพระพุทธเจ้าตรัสแน้คิดถึงความเป็นบรมสุขมีความเป็นอนันต์สว่างแจ้งทั่วตลอดไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำและไม่อาจตายไปแต่ผู้เจริญสติสามารถเข้าไปรู้ได้เฉพาะตนตั้งแต่ยังไ่ตายอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้จะเป็นตัวคนอ่าน หรือหนังสือก็ตามเรียกว่ามีขึ้นด้วยเหตุดับจากที่เห็นที่เป็นอยู่นี้เรียกว่าไม่มีแล้วเพราะเหตุดับแต่นิพานอยู่เหนือกว่าการมีและการไม่มีจึงพ้นวิสัยที่จะบรรยายด้วยคำพูดที่ติดอยู่กับการมีขอเพียงให้ย้าระลึกไว้เถิดว่าพระพุทธเจ้าให้คิดถึงนิพานด้วยความเป็นบรมสุขเป็นรถอันเหนือรถทั้งปวง จะได้มีกำลังใจเข้าให้ถึงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับต่อไป